ท่าธมยังเขมาเขมะสรณนาทีปีกคาทายพนาเมเสมพาหุงเบสารนังยันติปปพาตานิปวานิจจาอารามรุคาเจตายานิมนุษยาพยตาชิตามนุษย์เป็นอันมาก เมื่อเกิดมีภัยคุกคามแล้วก็ถือเอาภูเขาบางป่าไม้บ้างอารามและรกขาเจดีย์บ้างเป็นสารณาเนตังโคสารนังเคมังเนตังสารณมุตตามัง เนตังส ร, รณมาคัมมาสภาวทุกขาปมุจตินั่นมีใช่สา ร, รณอันกเกษมเลยนั่นมีใช่สา ร, รณอันสูงสุดเขาอาศัยสารนนั้นแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกทั้งปวงได้ โยจะพุทันจะทำมันจะสร้างคัญจะสารังคโตจะตาริอาริยสัจจานิสั ม, มปัญญายาปัสสติส่วนผู้ใดถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระแล้วเห็นอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐสีด้วยปัญญาอันชอบ ทุกขังทุกขะสมุปาทางทุกขะสัจจะอติกมังอริยานจากทั้งกี่กลางมากังทุกขูปสามคามินางคือเห็นความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความก้าวล่วงทุกเสียได้และหนทางมีองค์แปดอันประเสริฐเครื่องถึงความระงับทุกข์ เอตังโคสารนังเคมังเอตังสารณมุตตามังเอตังสารนามาคา ม, มาสาาพัทุคาปมุจจตินั่นแหละเป็นสารณาอันกเกษมนั่นเป็นสารณาอันสูงสุดเขาอาศัยสารนานั่นแล้ว ยอมพ้นจากทุกทั้งปวงได้